มื่อนนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาปีนี้ก็มีการรณรงค์เชิญชวนให้ปลูกต้นไม้กันมากๆในช่วงเทศกาลวิสาขาบูชาเพราะว่าต้นไม้นี่ก็มีความสำคัญนะต่อชีวิตของพระพุทธเจ้านะตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งปรินิพพานแม้กระทั่งตัดสรุก็ตัดสรุใต้ต้นไม้ จริงไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะพระอระหันต์ทั้งหลายนี่ท่านก็ได้อนิสงฆ์นะของต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติงดงามเนี่ยในการทําความเพียรเจริญภาวนานะจนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็อย่าลืมนึกถึงต้นไม้ด้วยโนะดยเฉพาะในช่วง พิาคบูชานี่ก็เป็นโอกาสสําคัญที่เราจะระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้และปีนี้นี่ก็มีความพิเศษนะอีกอย่างนึงคือว่ามีการเชิญชวนให้อญาติโยมสาธุชนเนี่ยเวียนเทียนนอกจากด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เวียนเทียนด้วยกล้าไม้ด้วยนะถือกล้าไม้เวียนเทียนแล้วต้นไม้นั่นนะ นำไปปลูกเป็นสลีมงคลนะหรือว่าเป็นต้นบุญหรือจะถวายวัดให้นำไปปลูกทั้งในพื้นที่วัดแล้วก็ในที่สาธารณะก็ได้ในต้นไม้เนี่ยรวมทั้งธรรมชาติเนี่ยถ้ามีความสำคัญต่อคนเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะให้อากาศให้น้ำนะแต่ว่ายังสามารถที่จะทำให้เกิดความสงบในจิตใจ ต้นไม้หรือธรรมชาติเนี่ยกับจิตใจเนี่ยจึงสัมพันธ์กันอย่างมากอยู่ท่ามกลางต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติก็ทําให้ใจสงบได้และในทางอีกทางหนึ่งนะถ้าหากว่าใจสงบเย็นความรู้สึกผูกพันเห็นคุณค่าของต้นไม้และธรรมชาติก็จะมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เริ่มเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะ นไม่ใช่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธนะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าประชาคมยุโรปเนี่ย EU เนี่ยซึ่งเขามีหน่วยงานทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นวิกฤตของโลกในปัจจุบันอันนี้ประชาคมยุโรปเนี่ยก็ ให้เจ้าหน้าที่นะมาทำสมาธิมาเจริญสติชักชวนให้มาลองทำสมาธิดูเพื่ออะไรนะส่วนหนึ่งก็เพื่อได้มีความรู้สึกผูกพันเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งวัลลอมากขึ้นเป็นการเจริญเมตตาต่อธรรมชาตินะเดี๋ยวนี้มันมีคำว่า environmental compassion กรุณาต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมันช่วยทำให้การทำงานปกปกัปกอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็แก้ปัญหาโลกรลเ น, นี่ยมันมีแรงจูงใจที่เป็นกุศลนะคือไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่แต่เพราะยังมีความรักความหงวยใจนะเขาก็ชวนเจ้าที่ของประชาคมยุโรปเนี่ยนะไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ไป เจอสตินั่งสมาธินอกจากเพื่อทำให้จิตใจเนี่ยเกิดมีเมตตากรุณาเกิดความรักห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยังช่วยทำให้เกิดกำลังใจนะในการทำงานเพราะว่าหน้าที่ของคนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแก้ปัญหาโลกล้อนี่มันเป็นปัญหาวิกฤตระดับโลกมันเป็นงานที่ต้องใช้ สติปัญญาต้องใช้ความาภาคเพียรพยายามมากแล้วบางทีก็หดผูท้อแท้งง่ายๆเมื่อเห็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นน้อยหรือว่าถอยหลังงั้นก็เลยเนี่ยนะนำสมาธิภาวนาเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่เขาลองปฏิบัติ ด, ดูนะจะได้เกิดสมาธิเกิดเรียวเกิดแรง ในการทํางานที่สําคัญทาให้เกิดกําลังใจไม่ท้อแท้ทีแรกก็มีเจ้าที่หลายคนนะเขาบอกเสียเวลานะเอาเวลาไปทํางานดีกว่างานที่ทํานี่มันก็ล้นมืออยู่แล้วแทบจะทําไม่ทันอยู่แล้วนี่ต้องเอาเวลาที่มีน้อยนี่ไปทําสมาธินะมันจะมีประโยชน์อะไรนะแต่เขาทดลองทําดูนะเพราะว่าเออได้ผลนะ คนเห็นคุณค่าของการทำสมาธิการเจริญสติการภาวนารู้สึกว่ามีกำลังใจนะมีความสงบช่วยลดความวิตกกังวลนะทำให้มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานมากขึ้นรวมทั้งเวลาทำงานงคนอื่น มันก็ลดความขัดแยง้งลดการกระทบกระทั่งน้อยลงอันนี้คนก็เริ่มนะเห็นคุณค่านะทั้นคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจสมาธิภาวนาเพื่อการดับทุกข์นะอย่างชาวพุทธแต่ว่าเขารู้ว่าเนี่ยมันมีความหมายมันมีคุณค่ามีอันที่สง่งมากนะต่อจิตใจทำให้ทำงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็ทำให้อ่ มีความเครียดมีความวิตกกังวลน้อยลงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งเนี่ยนะในหลายวงการก็เห็นคุณค่าไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจวงการด้านเทคโนโลยีนะตอนนี้วงการาที่ทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเขาก็เห็นชัดขึ้นนะที่จริงนอกจากจะมีคุณค่าต่อการทำงานแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าต่อชีวิตด้วยนะ อย่างเช่นหน่วยงานของสหประชาชาติหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพนะเรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยชื่อยาอพีซีีเนี่ยโอ้โหงกรใหญ่มากเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยการวิจัยเนี่ยทำให้พบว่าการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่เล็บง่ายมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะ เขาเรียกว่าโลคาบอนไลฟ์สไตล์นะหมายถึงว่าวิธีชีวิตที่ก่อให้เกิดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนน้อยลงเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยบริโภคมากเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่นถ้าเราใช้พลังงานเยอะในการจะผลิตพลังงานนี่ก็ต้องใช้น้ำมันในการเผา หรือว่าฐานนิ้นในการเผาให้เกิดความร้อนเพื่อที่จะได้ผลิตไฟฟ้าหรือถ้าเราเดินทางเที่ยวท่องเที่ยวกันมากเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำมันในการสัญจรพวกนี้มันก็ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้วิกฤตโลกร้อนเนี่ยรุนแรงขึ้นรวมทั้งแม้กระทั่งมีขยะกินอาหารถ้าเราไม่เลือกเนี่ยนะอาหารที่เราบริโภคเนี่ยมันก็มีผลทาให เกิดปัญหาโลกร้อนได้ทั้งหมดนี่เกิดจากการที่คนเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแต่ก็ว่าพอคนเราเนี่ยผ่านมารู้องจากทำสมาธิภาวนามากขึ้นเนี่ยมันจะพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายนะสันโดษมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระตุ้นทำให้โลกร้อนเนี่ยนะบรรเทาเบาเบางลงอันนี้ฝรั่งก็เห็นคุณค่านะ มากขึ้เรื่อยๆนะของสมาธิภาวานาอันนี้ก็เป็นออุทาหรณ์สอนใจนะคนไทยเราเลยเพาชาวพุทธไทยเราเนาะว่าเราเห็นคุณค่าของสมาธิภาวานาแค่ไหนในที่จริงเนี่ยก็ต้องเกิดความตื่นตัวเรื่องสิ่งวัล้อมกันให้มากขึ้นด้วยการทํางานเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อสิ่งวดลอ้อมกับการทําสมาธิภาวานาเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกมันต้องเกื้อกูลกันนะ ถ้าเรามีจิตใจที่สงบนะมีสมาธิในการที่เราจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติเกิดเมตตาเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรที่เป็นการรักษาปกปักธรรมชาตินี่มันก็จะมีพลานุภาพมากขึ้นและถ้าเราได้อยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นเราก็จะมีความสงบนะมีจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็มีกาลังนะในการทางานรวมทั้งแก้ปัญหา ชีวิตนะด้วยสติด้ว ย, วยปัญญา